อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะในการละเมื่อเราเป็นดาบทอันเท้าสักกะเชื้อเชิญมาอยู่ในป่าเรากับราชสีและเสือโครงในป่าต่างก็น้อมเมตตาเข้าหากันอันนี้เป็นการเล่าสุวรรณสามแบบรวบรัดเนี่ยนะในสุวรรณสามจริยาตรงนี้เป็นเมตตาบารมีแล้วนะเน้นเป็นเมตตาบารมีก็มันพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพอเกิดเป็นทเทวสุวรรณสามอยู่ในป่าก็ทาให้เสือ ทำให้ราชสีมีเมตตาต่อกันได้เนี่ยคนนั้นจะต้องมีเมตตาขนาดไหนก็เราว่าเพชรฆาตยังมีเมตตาต่อกันนะเราเข้าไปใกล้าราชสีและเสือโคร่งในป่าใหญ่ได้ก็ด้วยเมตตาเราเวทล้อมด้วยราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองมีกระบือกวางดาวแล้วก็หมูอยู่ในป่าใหญ่สัตว์อะไรๆไไม่ได้สะดุ้งกลัวเราเราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรอะไร เพราะกําลังเมตตาคําจุนจึงยินดีอยู่ในป่าในกาละนั้นชนีดแล้วด้วยด้วยอนุภาพของเมตตาจึงไม่กลัวสัตว์สัตว์ก็ไม่กลัวท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็สมัครสมานสมัค ร, ค ร, ครีปรองดองกันอันนี้ชาติที่เป็นสุวรรณสามเนี่ยนะ เ, เรื่องราวของสุวรรณสามในอดีตพูดถึงประวัติพ่อแม่ของสุวรรณสามก่อนว่าในอดีตมี หมู่บ้านนายพรานคนหนึ่ง น, นะบ้านนายพรานเนสตัตต์ตัวนี้ก็คือเป็นพวกชาวประมงอ่ะ น, นะตระกูลชาวประมงใกล้ฝั่งแม่น้ําไม่ไกลจากกรุงพารณาณสีณที่นั้นเนี่ยบุตรหัวหน้าของพรานหรือว่าชาวประมงนั้นก็ชื่อว่าทุกกูละใกล้ฝั่งแม่น้ําอีกฝากหนึ่งก็ได้มีบ้านพรานอีกบ้านหนึ่งบ้านนั้นก็มีลูกสาวของพรานหัวหน้าชื่อว่าปาริกาสัตว์ทั้งสองนั้นบริสุทธิ์มาจากพรหมโลกมาจากพรหมโลกหลุดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดผิดตระกูลได้เหมือนกันนะ แต่เกิดในตระกูลพ่อแม่นักฆ่าเข้าเนี่ยทำอะไรได้เน่ะสังสมบุญมาขนาดไหนทําไม่ดีจริงๆเนี่ยยากที่จะรอดมางั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองเจริญวัยก็ไม่ปรารถนาเนี่ยนะในที่สุดพ่อแม่ก็จับแต่งงานกันเพราะว่าได้ปฏิญญาไว้ว่าถ้าฝั่งโน้นมีลูกชายฝั่งนี้ได้ลูกสาวก็ต้องแต่งงานกันนะนะจะฝั่งไหนเป็นอะไรก็ช่างเถิดสรุปว่าจับแต่งงานในะที่สุดก็จับสมรสแต่งงานจนได้แต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ก้าวลงสู่ทะเลคือกิเลสไม่ร่วมประเวณี อยู่ร่วมกันเหมือนพรมอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วก็แต่งงานเสร็จแล้วก็ไม่อยู่ชั้นสามีภรรยาแต่ก็อยู่แบบเพื่อนอะนะขณะเดียวกันก็ไม่ทํากรรมของนายพรานข่าก็ไม่ฆ่าปลาก็ไม่หาเนื้อก็ไม่ล่าพ่อแม่ก็เลยพูดกับทุกูลว่าลูกรักลูกไม่ทํากรรมของนายพรานลูกไม่ผารทะนาจะอยู่ครองเรือนเนี่ยลูกจะทําอะไรได้ลูกจะทําอะไรกินกันเนี่ยนะนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงกันนะหาปูหาปลาก็ไม่หากล้าสัตว์ก็ไม่ล่า กินอะไรกันเนี่ยนะทุกูลก็บอกพาพ่อแม่อนุญาตลูกจะขอบวชเออะไรงี้ยก็บวชบวชเธอลูกบวชไปนะนะไม่บวชตายแน่ว้ยนั่นอดตายแน่บวชเธอไปแต่ก็จริงนะเด็กบางคนเนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยลักษณะเนี่ยอะไรก็ไม่ทําฆ่าก็ไม่ฆ่าหาปูหาปลาก็ไม่หาก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านทํางานไปวันๆหนึ่งอะไรก็ไม่ทำเนี่ยนะบอกเมื่อไหร่จะบวชนะครให้บวชบวชก็อย่างว่านะอยู่ไม่นานก็ซื้อไปอีก ทีนี้ย้อนกลับมานะว่าชนทั้งสองคือทุกูลกับปาริกาก็เข้าไปอยู่ในป่าหิมมาวันไปถึงในที่ที่แม่น้ํามิคสัมมาตาไหลลงจากหิมมวันตัประเทศถึงแม่น้ํำคงคาเป็นแม่น้ําสายย่อยที่ไหลจากป่าหิมมาวันก็คือป่าที่มีหิมะนะก็แปลว่าไห ล, ไลจากภูเขาใหญ่ก็ตกมาสู่แม่น้ํำคงคาเลยแม่น้ํำคงคามุ่งหน้าไปทางมิคสัมมาตา ก็เลยพากันขึ้นครั้งนั้นพิ่พของเทา้าส ก, ก่าแสดงอาการเร่าร้อนเทา้าส ก, ก่าก็ทราบเหตุนั้นก็มีเทวบัญชาให้วิษณุกรรมไปสร้างอาสมณะที่นั้นทั้งสองไปถึงอาสมนั้นแล้วก็บวชอาศัยเจริญเมตตาที่เป็นกามาวจรก็คือหมายค่าว่าเมตตาของท่านก็เป็นแค่มหากุศลเมตตาที่ยังไม่ได้ฉานอะไรแต่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาทั้งคู่ ณอาสมนั้นที่เท้าส ก, ก่าประธานแม้เท้าส ก, ก่าก็มาบำรุงสามีภรรยานั้นอยู่เสมอมาประจํามาคอยดูแลนะกล่าวว่าคนดีผีดูแลว่างั้นแนทะ้วันหนึ่งเท้าส ก, ก, ก่สาก็ทราบว่าตาจักษุของสามีภริยาจักเสื่อมก็เลยเข้าไปหาแล้วก็ตรัสว่าท่านผู้เจริญจักษุของท่านทั้งสองเนี่ยจะได้รับอันตรายะนะเพราะฉะนั้นท่านควรจะมีบุตรเอาไว้ดูแลเวลาที่ท่านทั้งสองตาบอด ก, ก็มีลูกคอยดูแลก็แล้วกัน นะ ก, ก็รู้นะเพราะว่าอดีตอดีตเนี่ยสามีภรยาคู่นี้เนี่ยสามีเนี่ยเคยเป็นหมอนะเป็นหมอก็ไปรักษาตาคนไข่อยู่รายหนึ่งพอรักษาหายคนไข้ก็แกล้งบอกว่าไม่หายก็เลยกลับไปปรึกษาแม่บ้านแม่บ้า น, านก็เลยว่าก็ทําให้มันบอดไปซะนะครว่าด้วยกรรมอันนั้นแหละก็ทําให้สองสามีภรยาเนี่ยตาบอดนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าท่านควรจะมีลูกนะเวลาตาบอดไปแล้วจะได้มีคนดูแล ฤสีก็กล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสองเอ่อขอท้าวส ก, ก่าก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสองมีใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในขณะที่นางปริพาชิกามีฤดูขอท่านจงเอามือลูคลมท้องน้อยด้วยอาการอย่างนี้บุตรของท่านจะเกิดบุตรนั้นจกบำรุงท่านทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับไป ทุ ก, กูละบัณฑิตบอกเหตุนั้นแกนางปริกาขณะที่นางปริกามีฤดูก็ลูปคลำท้องน้อยในการละนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในคันของนางปริกาครั้นล่วงไป10เดือนนางปริกาก็คลอดบุตรมีผิวพันธุ์ดุจทองคำตั้งชื่อว่าสุวรรณสามสาม ะ, ะนะก็มีผิวเหมือนทองก็เลยชื่อว่าสุวรรณสาม ที่จริงถามว่าไอ้รูปคลม ท, ท้องเฉยๆเนี่ยท้องได้หรือเขาบอกว่าด้วยเหตุผลหลายประการข้อแรกเนี่ยนะเหตุผลว่าทั้งสองเป็นผู้มีบุญฤาษีทั้งสองก็เป็นผู้มีบุญแล้วก็บุญของเท้าสักกะแล้วก็บุญของพระโพธิสัตว์คือเท้าสักกะเนี่ยนะไปขอร้องพระโพธิสัตว์ว่าขอให้ท่านลงไปเกิดเถอะท่านจะได้บําเพ็ญบารมีต่อไปนะเพราะว่าท่านจะได้ไปอยู่บํารุงบิดามารดา ท, ที่ที่ตาบอด นะก็พระโพธิ์เท้ า, ทาส ก, ก่าไปขอร้องฟันด้วยบุญของชนทั้งสีํทำให้กิริยาอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดลูกขึ้นได้นนะมารดาบิดาเลี้ยงดูสุวรรณสามนั้นจนเจริญเมียอายุได้16ปีให้สุวรรณสามนั่งในอาศรมของตนเองไปหารากไม้และผลไม้ในป่าก็เลี้ยงดูลูกแม้กระทั่งโตแล้วก็ไม่ค่อยให้ลูกไปไหนนะก็ให้ลูกเนี่ยอยู่ที่อาศรมนั่นแหละไม่ให้ไปไหนหรอก แต่ปกติสุวรรณสามเป็นเด็กฉลาดพอพ่อแม่จากไปเนี่ยท่านก็เที่ยวดูและดูร่องรอยปกติพ่อแม่ไปที่ไหนไปตักน้ําตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะท่านแอบดูหมดแล้วจนรู้ความเป็นไปของพ่อแม่ทั้งหมดทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฝนตกไม่ไกลไปจากอาศม น, นะทีนี้ฝ่ายทั้งคู่ฤาษีนี่ก็เก็บไปเก็บผลไม้มาก็เหนื่อยนะเหงื่อท่วมทั้งตัวกลิ่นเหงื่อก็ออกจากร่างกายของมารดาปิดาที่ถือผลไม้ในปากกลับมายัง โคนต้นไม้แล้วก็ยืนอยู่บนจอมปลวกตอนฝนตก น, นะน้ำอันนั้นเนี่ยที่ปนกับเหงื่อก็หล่นมาใสายด่างจมูกของอสารพิษที่อยู่ในปล่องจอมปลวกนั้นอสารพิษกโกรธจัดจึงพ่นพิษออกมาทั้งสองก็ตาบอด น, น, นะพระตาบอดก็ ค, คร่าครวญอยู่ น, นะพระโพธิสัตว์นี่ก็รอพ่อรอแม่ไม่กลับมาสักทีนะตอนลังก็ติดตามไป ว่าทำไมพ่อแม่ของเราชาเหลือเกินมานพ่อแม่ของเราเป็นอย่างไรเนาะก็เดินสวนทางแล้วก็ทำเสียงร้องตะโกนหาพ่อแม่ไปเรื่อยๆพ่อแม่จําเสียงของสุวรรณสามได้ก็ทำเสียงตอบรับนะพอลูกมาใกล้ๆก็ด้วยความรักในลูกก็ห้ามว่าพ่อสุวรรณสามตรงนี้อันตรายอย่าเข้ามาเลยลูกนะแล้วตนเองก็ตามมาหาลูกตามเสียงนะไม่ยอมให้ลูกเข้าไปตรงนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเหตุเพราะว่าตรงนี้ตาบอด สุวรรณสามก็ถามว่าพ่อเฮไราตาทั้งสองของท่านจึงบอดพ่อแมอ่บิดามารดาก็พูดว่าไม่รู้สิลูกเมื่อฝนตกพ่อและแม่ก็ยืนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ต้นไม้ต่อจากนั้นก็มองไม่เห็นเลยเท่านั้นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือสุวรรณสามก็รู้ทันทีว่าจอมปลวกนั้นมีอสารพิษมันโกรธก็เลยพ่นพิษใส่งูมันขู่เนี่ยนะพ่นพิษออกไปสุวรรณสามพอฟังอย่างนั้นก็ร้องให้ร้องใ ห, งให้เสร็จแล้วก็หัวเราะ ร้องให้ร้องให้ทําไมพ่อแม่ก็ถามว่าทําไมจึงร้องให้บอกที่ร้องให้บอกว่าพ่อแม่ในวัยอันสมควรตาก็บอดไปแล้วนะสงสารพ่อแม่ก็เลยร้องให้อะไแล้วทาไมจึงหัวเราะหัวเราะว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นบุญกุศลแล้วจะได้ปนนิบัติอุปถาพ่อแม่สักทีหนึ่งว่างั้นจะได้ดูแลพ่อแม่ตอนในตอนตั้งกันนี้ไปจะได้บําเพ็ญบุญด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่แล้ว ดังนั้นสุวรรณสามก็กล่าวว่าพ่อแม่ไม่ต้องคิดอะไรหรอกลูกจักบำรุงพ่อและแม่เองแล้วก็นํามารดาปิดากลับไปอาสมผูกเชือกเอาไว้ที่มารดาและบิดาเดินไปมาได้เนี่ยนะแม้กระทั่งเดินไปถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ผูกเชือกเอาไว้เนี่ยนะผูกเชือ ก, ผ, ก, อกผูกเทวันเอาไว้ว่าเดินไปตามนี้นะอย่างงี้นะมีที่พักกลางวันที่พักกลางคืนก็ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นมาสุวรรณสามก็ให้ มารดาบิดาอยู่ในอาสมนำรากไม้พลาผลในป่ามาเลี้ยงดูมารดาบิดาตอนเช้าตรู่ก็กว่าที่อยู่นำนา้าเอ่อนำของดื่มมาให้ตั้งของบริโภคไว้ให้แมไม้สีฟันได้น้ำล้างหน้าไปหาผลไม้ที่มีรสอร่อยมาให้เมื่อบิดามารดาบ้วนปากเนี่ยนะหมายความว่าให้พ่อแม่กิกนอิม่มเบ็ดเสร็จหมดแล้วบ้วนปากเสร็จตัวเลืกตัวเองก็บริโภความารดาบิดาแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ เพราะอะไรเพราะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยมีอะไรจะสั่งบ้างนะคิดว่าบิดามารดาเนี่ยจะมีสั่งอะไรแต่ว่าโดยพิเศษเนี่ยทั้งคู่ทั้งพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นก็สอนลูกให้ลูกเจริญเมตตาเพราทั้งพ่อแม่ลูกทั้งสาคนก็มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเจริญเมตาตาตัในสัพพะสัตทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสัตทั้งหลายจึงไม่รบกวนสุวรรณสามเพราะทั้งหมดทั้ง3าคนเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาสัตว์จึงไม่รบกวน พระโพธิสัตว์ก็ไม่รบกวนสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่สัตว์ทั้งหลายไม่รบกวนพระโพธิสัตว์ทั้งฝ่ายต่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระโพธิสัตว์นั้นทั้งไปทั้งมาสู่ป่าเพื่อสแสวงหาผลาผลทุกทุกวันอย่างนี้จึงได้เวทล้อมไปด้วยฝูงเนื้อแม้สัตว์ที่เป็นศัตรูมีราชสีและเสือโคร่งเป็นต้นก็เป็นผู้คุ้นเคยกันอย่างดียิ่งกับพระโพธิสัตว์ก็ด้วยอนุภาพของ เมตตาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายได้เป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อกันและกันในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์นั้นด้วยประการชนิดนะั่นนะถ้ามีมีเมตตาอยู่ด้วยเมตตาโดยมากจริงๆและจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีการเบียดเบียนกันคมเหงิกันจะไม่มีการรังแกกันนะทุกคนก็จะรักเกื้อกูลหวังดีปรารถนาดีเพราะทุกฝ่ายจะคิดให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขความเจริญเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคิดให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขความเจริญ การเบียดเบียนการการทำร้ายกัน น, นะจะมีมาจากไหนเพราะฉะนั้นในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์จึงมีแต่จิตใจที่อ่อนโยนต่อกันและกันเนี่ยนะเรียกว่าบางแห่งเขบอกใช้คําว่ามองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักเรียกว่าปิยะจักสุมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักด้วยประการชนนี้พระโพธิสัตว์นั้นด้วยอนุภาพแห่งเมตตาในที่ทั้งปวงจึงเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดเสะดุง้งไม่มีเวรมีปกติอยู่อย่างพรมนี่ยนะ ก็ไม่สะดง n ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเนี่นะเพราะมองทุกคนเหมือนญาติตัวเองหมดถามว่าเวลาเราอยู่ในบ้านที่เหมือนกับอยู่กับญาติตลอดเวลาเนี่ยนะถึงใครมาจิ้มเราเราก็ยังไม่ตกใจเลยทําไมล่ะก็มองทุกคนเป็นเหมือนญาติหมดถึงเขามาปิดตาเราเราก็ไม่รู้สึกว่าต้องกลัวอะไรเพราะเขาคือญาติของเราอ่ะ น, นะด้วยอนุภาพของเมตตาถ้ามองงูเห่าเป็นญาติได้ก็ถือว่ามีความสุขมากแล้ว น, นะเพราะงูจะเลื้อยผ่านมาก็ญาติเราผ่านม า, ผ, า, นมาผ่านไปอ่ะ น, นะอ้าวก็ เคเห็นคนนอนนอนอยู่กับเด็กเด็กที่อยู่กับงูไหมล่ะเด็กที่อยู่กับงูอยู่กันได้นี่ยหรือไม่ก็คนที่เขาอยู่กับแมลงป่องอยู่กับตะขาบเป็นต้นเขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นว่าเป็นพระโพธิสัตว์อะไรเลยนะกิเลสท่วมขนาดนั้นก็เห็นอยู่กันปกติธรรมดาแล้วทำไมคนที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้จะอยู่ด้วยใจเมตตาไม่ได้อยู่กับเสือเนี่ยนะก็เห็นหลายคนเขาอยู่กับเสือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ย พระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาที่การขนาดนี้ทำไมท่านอยู่ในป่าอยู่กับสัพพสษรทั้งหลายเนี่ยนะด้วยจิตที่มีเมตตาต่อกันไม่ได้เนี่ยนะดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าเรากับราชสีและเสือโครงในป่าใหญ่ต่างน้อมเมตตาสแสวงหาประโยชน์เข้าหากันและกันเราแวดล้อมด้วยราชสีเสือโครงเสือเหลืองหมีกระบือกวางและหมูอยู่ในป่า นะบทว่าเราแผ่เมตตาไปนะราชาสีและเสือโครงซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายจะกล่าวไปยญยถึงสัตว์ที่เหลือบทว่าเมตตายะเพราะความเป็นเหตุเป็นไปแห่งเมตตาเพราะคือมีเมตตาภาวนาเราเนี่ยน้อมเมตตาเข้าไปหากันและกันโดยไม่เจาะจงในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะข อ, ขอให้สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเธอนะขอให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเธออันอยู่ด้วยจิตที่เมตตาเนี่ยนะไม่มีจิตคิดประทุสร้ายไม่มีใจคิดทำลายไม่มีใจคิดเบียดเบียนหวังแต่ความสุขความเจริญให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นอนนั้นลักษณะนี้ของเมตตา ไม่ใช่แต่เราเท่านั้นโดยที่แท้ในกาละนั้นเราอยู่ในป่าใดกับราชสีและเสือโครงเราน้อมเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับราชสีและเสือโครงในป่านั้นแม้ราชสีเสือโครงในครั้งนั้นก็ได้รับการตอบความเป็นผู้มีจิตเมตตาในสัตว์ทั้งหลายด้วยอนุภาพอันใหญ่ไม่จําต้องพูดถึงสัตว์นอกนั้นละอ น, นาคาตสิงสิงสาราสัตว์ที่เหี้ยมโหดก็ยังมีเมตตาต่ อ, อ ก, กันได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงสัตว์อื่น พระเวสสันดรก็เหมือนกันนะท่านไปอยู่เนี่ยในะรัศมี48กิโลเมตรเนี่ยสัตว์ไม่เบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะด้วยอนุภาพของเมตตาของท่านก็อย่าลืมว่าชาติเหล่านี้เนี่ยนะใกล้ๆจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะตอนท่านเป็นผู้ที่สั่งสมเมตตาอปรมัญญาเมตตาชานมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็ลวเลยไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเมตตาต่อกันและกันก็อย่างที่ว่าเนี่ยมีที่ไหนว่าประชาชนเนี่ยนะ อยู่กันเป็นพันพันหมืนม่นหมื่นไม่ทะเลาะกันเนี่ยมีที่ไหนก็มีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหัวหน้าพระภิกษุสองท่านไม่ทะเลาะกันเป็นต้นท่านก็อยู่ด้วยเมตตารักหวังดีปรารถนาดีานะแต่ที่ทําสังกเภทปัญหานี้ก็ไม่ใช่เกิดจากพระองค์ยุแยงขึ้นแต่ก็เกิดจากคนเลวบางคนเท่านั้นเองอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะคนเลวเข้าไปสอดแทรกแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะพราะพุทธานุภาพเป็นต้นเนี่ย เมตตาของพระพุทธเจ้าทําให้สรัรพะสัตทั้งหลายเนี่ยพิสูพิษูนีอุบาโส อ, อุบาสิกาเป็นต้นก็มีความรักความหวังดีปรารถนาดีมีใจเกื้อกูลต่อกันและกันย้อนกลับมาอีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะแสดงอนิสงส์และการบรรลุผลที่สุดด้วยการเจริญเมตตาภาวนาว่าอดีตชาติเนี่ยความที่พระองค์อยู่ด้วยเมตตาภาวนาพระองค์ก็บอกว่าสัตว์อะไรๆมิได้สะดุ้งกลัวเรา แม้เราก็ไม่ได้สารุ่งกลัวต่อสัตว์อะไรๆเพราะเราอันกําลังเมตตาคําจุนจึงยินดีอยู่ในป่าในการละนั้นคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยจะปกติจะไม่รู้สึกว่าเหงาเนะีเพราะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนอะนะเห็นก็ว่าเห็นยุงบินก็ยังเหมือนลูกเราบินได้อะคล้ายๆแบบนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเหงาอะไรเพราะอ่า มีแต่มีจิตมีเมตตามีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีความสุขอยู่ในป่าไม่ได้มองว่าป่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายน่ารำคาญน่าหนีไปไปให้ไกลเป็นต้นไม่เพราะใจอยู่ด้วยเมตตาเมื่อใจอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายณนะอยู่ณนะที่นั้นก็มีเมตตาต่อกันก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในทั่วทุกหนทุกแห่งเป็นต้น ขเดียวกันคนที่เจริญเมตตาก็มีเมตตาต่อตัวเองด้วยความที่มีเมตตาต่อตัวเองก็สามารถจะอยู่อย่างผาสุขอธิบายว่าสัตว์อะไรอะไรแม้เป็นสัตว์ขี้ขลาดมีกระต่ายและแมวเป็นต้นก็ไม่สะดุง้งไม่ตกใจกลัวเราแม้เราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรอะไรไม่ว่า ความกลัวไม่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานมีราชสีเสือโคร่งเราไม่กลัวอ ม, มนุษย์มียักษ์เป็นต้นเราไม่กลัวมนุษย์หยาบช้ามีมือเปื้อนไปด้วยเลือดสรุปว่าเราไม่ได้กลัวต่อสัตว์ใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออั ม, มนุษย์เพราะอะไรก็เพราะเรานี้อันกําลังเมตตาค้ำจุนอนุภาพแห่งเมตตาที่เราบําเพ็ญมาตลอดกาลนานค้ำจุนเราจึงยินดีอยู่ในป่าใหญ่ในกาละนั้น พระโพธิสัตว์นั้นปกติท่านแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเนี่ยนะศีลจารีตศีลของท่านดีเยี่ยมวารเตศีลก็ดีด้วยเขาบอกว่าคนที่มีศีลถึงที่สุดก็คือมีเมตตาเพราะศีลก็นํามาซึ่งอวิปัสสนปราโมทย์ปิติปัสสัตทิสุขและสมาธิพันธ์คนที่อยู่ด้วยเมตตาได้ก็แสดงว่าศีลเนี่ยดีเยี่ยมอยู่แล้วอขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ศีลเว้นอย่างเดียวก็ยังประพฤติจารีศีอุปถาบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดี วันหนึ่งจะนําพลาผลมีรถอร่อยมาจากป่าไหวมานดาไหวบิดาซึ่งพักอยู่ที่อาสมเนี่ยนะก็ปกติเนี่ยเวลาจากพ่อจากแม่ไปหาผลไม้ก็ไหว้ท่านก่อนกลับมาก็ไหวอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เหมือนกันวันก็คิดว่าเราจับไปหาน้ํามาก็แวดล้อมไปด้วยฟูงเนื้อให้เนื้อทั้งสองมารวมกันแล้วก็วางหม้อไว้บนหลังเนื้อนะทั้งสองมือก็ค่อยจับเอาไว้เนี่ยไม่ต้องแบกน้ําเองนะก็ให้เนื้อนี่แบกให้ ในสมัยนั้นพระราชาพระนามว่า ก, กปิลยักษ์ก็คือพระราชาเมืองพาราสีที่ครองราชสมบัติเนี่ยพระองค์เนี่ยอยากสวยเนื้อกว้างเป็นพระราชาที่มีปกติมีความสุขกับการล่าสัตว์เนี่ยนะอยากสวยเนื้อก็เลยมอบราชสมบัติไว้กับมารดาสอดอาวุธทั้ง5เสด็จเข้าไปในป่าหิมพานล่ากวางอะ น, นะได้เนื้อก็สวยเนื้อเสด็จเที่ยวไปจนถึงแม่น้ํามิขสัมตาถึงท่าที่สุวรรณสามไปเอาน้ําโดยลําดับ เห็นรอยเท้ากวางจึงเสด็จตามไปเห็นสุวรรณสามเดินไปก็คิดว่าตลอดการเพียงนี้เรายังไม่เคยเห็นมนุษย์ที่เที่ยวไปอย่างนี้เลยมนุษย์ผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคหนอะถ้าหากว่าเราเข้าไปถามเดี๋ยวก็จะหนีไปอย่างนั้นถ้ากระไรเราจะยิงมนุษย์นั้นอ่ะทำให้หมดกำลังแล้วค่อยถามยิงก่อนแล้วค่อยคุยอ่างนั้นนะนะ ขณะที่พระโพธิสัตว์อาบน้ํานุ่งผ้าเปลือกไม้กระทําหนังเสือเหลืองฉเฉวียงบ่าตักน้ําเต็มหม้อน้ำโยกตั้งขึ้นไว้บนจะงอยบ่าข้างซ้ายพระราชากระปิลยะกษก็คิดว่าบัดนี้ได้เวลายิงแล้วก็เลยยิงพระโพธิสัตว์ที่ข้างขวาด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษลูกศรทะลุ ข, ข้างซ้ายฝูงกวางก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์ถูกยิงก็ต่างก็กลัววิ่งหนีไปหมดสวรรคสามบัณฑิตแม้ถูกยิงก็ไม่ได้ตระหนกตกใจเนี่ยนะปกติถามว่า ผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะสาตราอาวุธไม่เข้าไม่ใช่หรือทําไมมีเมตตาแล้วจึงถูกยิงท่านบอกว่าช่วงเนี้ท่านเผลอไปมัวแต่เพลินเนี่ยนะเพลินขนาดนั้นไม่ได้อยู่ด้วยเมตตาอันนะมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่สนุกเล่นหยอกเย้ากับพวกเนื้อทั้งหลายก็เลยลืมเจริญเมตตาอ่นนะด้วยเพราะลืมเจริญเมตตานี่แหละหลงลืมสติทิ้งกรรมฐานทิ้งเมตตาไปก็เลยถูกยิงว่างั้นอันนะั้นบางแห่งอธิบายไว้อย่างนั้น เสร็จ แ, แล้วถึงถูกยิงอย่างนั้นก็ไม่ได้ตโกนกตกใจคงแบกหม้อน้ําอยู่อย่างเดิมแล้วก็มีสติค่คอยๆยโยกลงเกลี่ยทรายวางลงเอาไว้กําหนดทิศทางเสร็จแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางที่อยู่ของมารดาบิดาบ้วนโลหิตออกจากปากกล่าวว่าเราไม่มีเวรกับใครๆชื่อว่าเวรในที่ไหนๆก็ไม่มีแก่เราเราไม่เคยมีเวรกับใครเลยก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าใครหนอยิงเราผู้เผลอ เลอะไรก็เพลอไม่จเจริญไม่ตานั่นแหละผู้กําลังแบกน้ําด้วยลูกศอนใครนะที่ยิงเราจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรยิงเราแล้วทำไมยังแอบซ่อนอยู่ปราชาฟังอย่างนั้นก็คิดว่ามนุษย์ผู้นี้แม้ถูกยิงจนล้มลงบนแผ่นดินก็ยังไม่ด่าเราไม่บริภารเราปกติเนี่ยคนถูกยิงเนี่ยแช่งกันทั้งนั้นนะนะก็ยังเรียกหาเราด้วยวาจาอ่อนหวานคล้ายจะบีบเนื้อหัวใจเรา เราจะเข้าไปหาเขาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปเสร็จแล้วก็เลยประกาศบอกว่ารักเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นคนที่ยิงเองแล้วก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านเป็นใครหรือว่าท่านเป็นลูกของใครสุวรรณสามบัณฑิตก็กล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อว่าสามะเป็นลูกของฤศีนะฤศีแปลว่าตระกูลในพรานชื่อว่าทุ ก, กู ล, ลบัณฑิตแล้วก็ถามว่า พระองค์เนี่ยยิงข้าพเจ้าทาไมพระราชาก็ตรัสเทศหลอกก่อนว่าคิดว่าเป็นกวางพระองค์ก็พลอยเศร้าโศกไปด้วยว่าเรายิงสามะผู้ไม่มีความผิดโดยไม่มีเหตุผลเสร็จแล้วก็บอกตามความเป็นจริงนะบอกตามความเป็นจริงว่ายิงอยากจะดูเฉยๆนั่นแหละมีอะไรหรอกเสร็จแล้วก็ถามถึงที่อยู่มานดาบิดาของสามะบัณฑิตเสด็จไปที่นั้นนะก็รับอาสาขันอาสาว่า จะขอเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดานะรายละเอียดในสุวรรณสามชาดกนั้นกวา้างขวางเพราะตรงนี้เล่าเล่าให้ฟังแต่รวบรัดก็พอเสร็จแล้วพระราชาก็แจ้งพระองค์ให้แก่ดาบทและตาปัสสินีทราบมารดาบิดาของสุวรรณสามบัณฑิตก็ปฏิสันฐานพระราชาก็บอกตามตรงว่าเนี่ยพระราชาพระองค์นี่แหละเป็นผู้ยิงสุวรรณสามจนสิ้นชีวิตแล้วก็ปลอบโยนดาบท ตาปะสินีหรือสีหญิงชายให้หายจากเศร้าโศกว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองเช่นเดียวกับที่สวรรคสามเลี้ยงดูท่านทุกอย่างแล้วแตนะ่แต่ก็ตรูสีก็รบเร้าให้พาไปหาลูกสวรรคสามมารดาบิดาก็ไปที่นั้นแล้วก็พร่ำเพ้อรำพันมีประการต่างๆแล้วก็คลำที่อกของสวรรคสามก็รู้ว่าบนร่างกายของเราบุตรของเรานี่ยังมีไออุ่นอยู่ คงจะสลบไปเพราะกําลังของพิษก็คิดว่าเราจะทําสัจจะกิริยาเพื่อให้พิษออกก็เลยตั้งสัจจะอธิฐานว่าบุญอันใดที่พ่อสุวรรณสามทําแล้วแก่มารดาและบิดาด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทั้งหมดขอพิษจงหายเนีย่ยนะแกเราว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตั้งสัจจะอธิฐานเนี่ยนะตั้งสัจจะอันนี้เนี่ยสำคัญมากานะนะสัจจะที่ที่สุวรรณสามประพฤติมานั่นแหละ ด้วยคำสัตย์คำจริงอันนี้ขอให้พิษหายเถอะเทพพัิดาก็ทำสั์จา ก, กิริยาว่าเราอยู่ที่เขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเราไม่รักใครยิ่งกว่าสามะนี้เลยด้วยความสัตย์นี้ขอให้พิษจงหายไปหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ลุกขึ้นทันทีความเจ็บปวดก็หายไปหมดดุดหยาดน้ำบนใบบัวฉะนั้นอวัยวะตรงที่ถูกยิงก็หายเป็นปกติจากสูทั้งสองของมานั ของมารดาบิดาก็ปรากฏเป็นปกติทันใดนั้นก็เกิดอศัศจรรย์4อย่างขึ้นในขณะเดียวกัน4อย่างคือไรหนึ่งพระโพธิสัตว์หายจากโรค2มารดาบิดาได้จักสุมอรุณขึ้น4นะก็นะบอกว่าคนทั้ง4ี่ก็กลับไปอยู่ที่อาสมพร้อมกันพระโพธิสัตว์นั้นก็กระทำปฏิสันฐานกับพระราชาแล้วก็แสดงธรรมถวายเนี่ยนะก็ยังมีใจเมตตาแสดงธรรมให้ฟังว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติ ธ, ธรรมเทิดแล้วถวายโอวาทให้ยิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วก็ให้สมาทานศีลให้รักษาศีลพระราชารับโอวาทของพระโพธิสัตว์ด้วยเสียงกล่าวเนี่ยนะแล้วก็วางอันนั้นทรงไหว้พระโพธิสัตว์แล้วก็เสด็จหลีกลับไปสู่กรุงพารณสีทําบุญให้ทานเป็นต้นก็ไปสู่สวรรค์แม้พระโพธิสัตว์กลับมาดาบิดาก็ยังอภิน ญ, ญาและสมาบัติให้เกิดเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปเกิดบนพรหมโลก พระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอาน น, นนท์นะก็รับหลายบทบาทเหมือนกันนะเทพพทธิดาก็คือนางอุบลวรรณนาเทา้าสกา ก, ก็คือพระอนุรุท ธ, ธะบิดาก็คือพระหมหากัะสปะมารดาก็คือพัฒกาปิลาณีสามะบัณฑิตก็คือพระโลกกนาธาเนี่มาดูคุณธรรมของพระโพธิสัตว์โดยย่อว่าการที่พระโพธิสัตว์แม้ถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษ โดยเข้าไปข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่อย่างไรอย่างค่อยๆวางหม้อน้ำลงบนแผ่นดินอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอดทนอย่างเยี่ยมยอดการไม่วิการทางจิตหมายคาอว่าไม่โกรธทางใจเลยไม่เสียใจเลยนะไม่โกรธในบุคคลผู้ฆ่าแม้ไม่รู้จักก็ทำเหมือนกับรู้จักเปล่งเสียงด้วยคำที่น่ารักความเศร้าโศกเพียงว่า ท่านเสียใจแค่อยเรื่องเดียวเท่านั้นว่าเรานี่เสื่อมจากบุญคือการบำรงมารดาบิดาที่ท่านเสียใจเสียใจอยู่เท่านี้ว่าแม้เสียดายบุญที่เกิดจากการเลี้ยงดูมารดาบิดาเหลือเกินแค่นั้นแหละเมื่อโรคหายท่านก็ยังตั้งอยู่ในกรุณาและเมตตาแสดงธรรมถวายให้แก่พระราชาด้วยการให้โอวัตหลังจากนั้นก็ยังปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานจนได้ฌานแล้วก็เกิดในพรหมโลกนี่แะ